การฟังที่จะเกิดประโยชน์ก็เพราะอาศัยเราไม่ส่งใจไปที่อื่นตั้งใจฟังคือปฏิบัติไปในตัวระยะที่ฟังก็กำหนดจิตที่เจรนาอัดทำหรือเรื่อยไปนี่คือการฟังทมจะให้เกิดสาระประโยชน์ฟัง ก็เสียไม่ได้พพูดอะไรก็ไม่ไดีแล้เอาใจใส่แล้วจะ่ิดมันจะคิดจะปรุงอะไรแบบนั้นมันลำคาญฟังไปนานนิดหน่อยก็ปวดแย่งปวดขารู้สึกเห็ดเหนื่อยเหมือนหิ้ ว, วต่างๆฉังนั้นเราทุกคนทนใจในเรื่องของธรรมะจึงได้บาปหน้าทโมา สู่วัดสู่าไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นเนนไม่ว่าฆราวาสมุ่งจะมาปฏิบัติจิตใจของตัวที่เห็นว่าชั่วว่าเสียให้หายออกไปไม่ใช่ว่าเขามาวัดแล้วมาปฏิบัติอะไรวัดนั้นจะกําจัดขับไล่เรื่องทิเหลือปัญหาของตัวไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกท่ันที่เขามาวัดก็จะมีความสงบสงัดพ้นไปจากกิเลสตัณหาทุกทวนหน้าไปไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับวัดเป็นที่พักที่อาศัยของนักปฏิบัติเราก็พึงทราบ ว, ว่าเราเขามาวัดจะต้องมาปฏิบัติกายใจของตัวไม่ใช่ว่าเขามาตั้งแกเพียงกายส่วนใจนั้น ตัวไหลเลียนหลอดออกไปสู่สัญญาอารมณ์อดีต ท, ที่ผ่านมาหรืออนาคตยังไม่ถึงอยู่วัดแต่ใจยงกายใจสายแสดใจตามสัญญาอารมณ์ตามกิเลสตัณหาแบบนั้นอยู่ในวัดก็ไม่เกิดคุณข่าสาระอะไรเพราะอยู่ในบ้านก็มีโอกาสนึกคิเดเกี่ยวข้อง กับเรื่องต่างๆได้นี่เรามาทั้งวรระวังรักษากายว่าใจาใจของตัวจริงๆดต่คือว่าเขามาปฏิบัติคือให้มีสติรักษาใจอยู่ทุกการทุกเวลาอารมณ์ทส้ญยาอะไรเกิดขึ้นหรือผ่านมาก็ให้ทราบใจเหมือน ก, นกันกับเจ้าของบ้าน ส่วนอารมณ์สัญญาสังขารเหมือนกันกันกบอาคันทุกกะที่จรเขามาหน้าไหนอย่างไรให้พี่เจนาอาคันทุกกะคือแขกที่มาเกี่ยวข้องเราจะเปิดประตูรับเขาทุกทุกน้ำทุกท่านทุกคนไปไม่ได้แขกบางจำพวกวก็ไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจ พอมาบ้านของเราอาจจะมาหยิบเอาสิ่งของต่างๆออกไปหรือปนที่ข้าศีต่างๆหากี่้าของบ้านเหมยระวังสังวรเหมารักษาเก่ยาของบ้านจะต้องพิจรารณาว่าแขกพวกไหนควรจะพักที่ไหนควรจะทำอย่างไรในการต้อนรับแต่อย่าให้แขกเป็นเจ้าของบ้านถ้าแขกเป็นเจ้าของบ้านแล้ว สิ่งของเงินทองต่างๆจะยับเยินเสียหายไปหมดเพราะเขาไหมเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนเขาจะมายึดมาหยิบเอาสิ่งของทิ่นี้ค่าในบ้านของเราออกไปหมดมีจิตใจก็ทํำนองเยวกันเหมือนเจ้าของบ้านส่วนสัญญาอารมณ์สังขารความพรุงคิดต่างๆเป็นอาทรทุกกะ จรมาสู่จิตสู่ใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญารักษาสังวรอยู่ภายในอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ทราบก็เข้าใจมาอันนี้เป็นไปเพื่อทวามดีความชอบเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์เราก็ตามีินิดพิที่เจรนาเพื่อจะให้เกิดปัญญาถึงแก่ ในสิ่งต่างๆถ้าอารมณ์อันใดเกิดขึ้นหรือผ่านมา <c oughs> เป็นพิษเป็นภยัยเป็นไปทางสมุทยัยคือก่อทุกข์ก่อโทษแก่ใจของตนเมื่อมีสติมีปัญญาทราบชัดที่อารมณ์นันนั้นมันเกิดขึ้นหรือผ่านมาเราก็กำจัดขับไล่ออกไปจากใจของเรา มีไม้เพื่อเจ้าของบ้านดูแขกที่มาเกี่ยวข้องกับบ้านช่องของตัวบ้านภายในก็คือใจของตัวนี้แหละบ้านภายนอกบาทีแขกที่อยู่ที่อาศัยทุกคนเข้าใจกันดีแขกภายนอกก็ได้แจ้แขกผู้คนต่างๆที่จอนมา เกี่ยวข้องกับบ้านท่องของเราส่วนแฉกภายในก็ได้แ่อารมณ์ของใจที่มาเกี่ยวข้องผู้รู้ทรงมีสติรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอะไรเกิดขึ้นผ่านมารู้มันนี้ไปก็รู้มันยังอยู่ก็ทราบเรื่องของมันนี่คือเรื่องการปฏิบัติใจที่จะให้ละเอียดสงบละงับ จะ้องปฏิบัติอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเปิดประตูลับเอาอยู่ทุกการทุกเวลาในหว่าสันอารมอะไร <c oughs> จะดีจะชั่วอย่างไรปล่อยให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับติตกับใจของตัวผลที่สุดก็ยุ่งเหิงวุ่นวายเดือดร้อนว่าใจไม่สงบใจไม่สบายไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร คือเราไม่ได้มองดูใจของตัวแตามันไปเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อะไรใจจึงฟูงคิดใจจึงเดือดร้อนใจจึงวุ่นวายถ้าหากเรามองดูเรื่องใจอยู่สม่ำเสมออารมณ์ชั่วกว็ำํำระออกไปอารมณ์ที่ทำความเย็นเย็นให้แก่ใจก็ให้อยู่ถ้าเราปฏิบัติถูกอย่างนี้ จิตใจมันก็ดีจิตใจมันก็เย็นฉะนั้นการปฏิบัติเป็นเรื่องของทุกคนที่จะสนใจดูภายในคือดูใจของตัวไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไปช่วยเหลือให้คนอื่นบริสุทธิ์ได้ความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองเป็นตัวของตัวเองแสวงหาหรือเก็บเอาไว้ ไม่ใชใ่คนอื่นหามาให้เรื่องการรักษาใจเึงเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติทุกท่านจะต้องรักษาใจเป็นของที่มีคุณค่ามีสาระสูงถ้าหากเราปฏิบัติถูกสามารถที่จะสุขจะสบายวิเศษไระเสื่อมยิ่งกว่าทุกสิ่ง ของมีค่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีคุณค่าสูงส่งเหมือนใจใจเป็นของที่มีคุณค่าสูงส่งที่สุดถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติชำราสาสาให้สะอาดให้เป็นอาจเป็นธรรมแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะด้อยคุณค่าหาสาระไม่ได้เท่ากับใจถ้าหากใจชั่วใจเสีย ใจสกรปรกโผโหมด้วยกิมมยเลสตัณหาชั่วมากเสียมากหาคุณค่าสาระไม่ได้ถทงกายจะไม่มีโรคภัยร่างกายจะสวยสดงดงามขนาดไหนแต่เถ่าว่าใจชั่วใจเสียแล้วไม่มีใครนิยมชมชอบของเน่าของเหม็นสิ่งอื่นก็ยังมีทางสำรสะสาสางให้สะอาดได้ ฟังได้เขาได้ล้างให้สะอาดออกได้แต่จิตใจนี้ถ้ามันเน่ามันเหนม็ น, นมันเป็นของผดจีกูลแล้วมันเหม็นมากกว่าอย่างของเหม็นไทยนอกชั่วมากกว่าเสียมากกว่าดังนั้นท่านจึงให้ทั้งวอนระวังเราจะระวังอย่างไรใจของเราจึงจะสุขจะใสจะสะอาด แต่สวยงามให้ทางศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนเอาไว้ทางสมณะใจใจเพื่อสะอาดเพื่อความสวยงามได้แก่ศีนคือการทังวรรักษากายวายจาของตนให้เรียบร้อยให้ปกติเพราะศีลนั้นทางหาด บุคคลรักษาจะเป็นพระเป็นเนนก่อรักษาศีลกิจขบฏ ท, ที่พระพุทธเจ้า บ, บ่งบอกเอาไว้ว่ากิจขบฏของพระมีเท่าไรของเนนมีเท่าไรคนที่เป็นพระเป็นเนนก็จะต้องทราบก่อนที่จะเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนได้ส่วนอุบาสกอุบาสิกาก่อรักษาศีลของคารวะสานะขี่ของตนา จะรักษาชิ้นห้าชิ้นแปดก็ได้ไม่ถัดอธัธยาใสชิ้นนี้ถ้าหากมีอยู่ในกายในใจรักษาปลอดไยสวยงามแล้วจะเป็นเด็กก่อตามเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่อตามผู้เฒ่าผู้แก่ก่อตามเป็นสะเป็นเนนก่อตามสวยงามด้วยกันทางนั้นเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมาก และเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงโลกที่ยุง่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนปันป่วนสมัยปัจจุบันนี้ในใจเรื่องอันอื่นเรื่องของคนถุสีนถ้าคนมีสีนโลกอันนี้ราบคาบเรียบร้อยน่าอยู่น่าอาศัยไม่เป็นภยัยเป็นเวรนแก่กันและกันนี่คืออันนี้สงฆ์องสีน ถ้าหากไม่มีศีลแล้วก็วุ่นวายเดือดร้อนเรารักษาจายวายจาของเราศีล ท, ทุกข้อเราหมั่นำํำระดูแลรักษาไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพ้อยต่างๆนานาตัวของเราเองบอคิดว่าศีลของเราบริสุทธ ไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปถึงคนจะดูหมินม่นนินทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เขาไม่ทราบดีในตัวของเราเขาจึงว่าไปอย่างนั้นบ่นไปอย่างนั้นติเตียนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ถือเอาว่าคนนั้นเขาไม่ทราบมูลความจริงจากเราและเขาเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าเราเป็นอย่างไร ไม่เด้ถื้อสีที่ษาถึงเขาจะว่าดูถูกเย็นพาเราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของบ้าของหมามันเห่ามันไม่เข้าใจว่าเราเป็นอย่างไรัะแน่นอนถ้าเราบริสุทธิ์ในศีลรักษาทุกข้อปลอดภัยดีงามเราไม่มีการเดือดร้อนบุ่นวายเขาจะว่าอย่างไร ใจของเราก็มั่นคงเพราะไม่ได้รุ่มหลงไปตามลมปากของเขาเราบริสุทธิ์เอาความบริสุทธิ์อวดเขาได้จิตใจจึงไม่หวั่นไหวหินนี้เป็นเรื่องสำละกกายสำละวาจาให้สะอาดเมื่อกายวาจาสะอาดสวยงามแล้ว จะไปสถานที่ใดกลัวสั ง, งาหาเผยไปสถานที่ใดก็องค์อาจสร้างหามเพราะไม่กลัวว่าคนนั้นจะดูหมิ่นนินทาหรือจะหาเรื่องต่างๆนาน า, นาเกี่ยวขอ้อกับศีลของเราผิด่วเสียไปศีลของเราบริสุทธิ์เป็นผู้ที่องค์อาจสร้างหามอย่างนั้นตัวของเราเองก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แเราทําไมไปทําไปพูดในทางสีชัวดสีเสียอย่างนั้นอย่างนี้ตำหนิตัวของตัวไม่ได้ผู้รู้ทั่วไปท่านก็ไม่ตำหนิพอเราดีเรางามในศีลของเรานี่เป็นเรื่องของศีลําระกายําระวาจาผู้รักษากอคือใจแต่ตรวจตาพิ่เจรณาเรื่องกายวายจาของตัว ผีช่วเสียต่างๆให้ตกไปหมดไปหรือไม่ให้ความชั่วเสียใหม่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกายวาจาคของตนนี่คือการรักษาศีลสํารักกายวาจาสํารกใจที่หยาบเพียงแตศีลเท่านั้นก็เห็นอานิสงส์ตนของตนก็เยือกเย็นสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้องก็มีความสุขนี่คืออานิสงส์ ของศีลเบื่องตนเป็นเหลืองคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้เป็นไลรยิกขาคือเป็นสิ่งที่พวกนัดปฏิบัติทั่วหน้าจะต้องศึกษาพิจนารณาตัวอย่างนั้นข้อที่สองต่อไปได้ชื่อว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจไม่วอกแวก เอีย ง, ยงไปตามเรื่องส่างๆจิตใจมีอารมณ์อันเดียวตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวในสัญญาอารมณ์อันใหม่ที่เกี่ยวข้องเรียกว่าสมาชิคือมีจิตสงบไม่ฟุ่งฟุ ง, ฟงไปทางนอกทีนี้พิเจริญนาดูจิตของตัวที่มันไม่สงบมันชั่ว มันเกิดขึ้นจากอะไรทางศาสนาท่านกล่าวเอาไว้ว่าจิตใจที่จะเป็นสมาธิไม่ได้เพราะนิวรทั้งห้านิวรคืออะไรควรที่ไม่เคยศึกษาธรรมะทางศาสนาก็ไม่ทราก็เรื่องอารมณ์ของใจนั่นแหละกามสันทะนิวรหมายถึงจิตใจไข ค, คิด ไปในทางการมัจจิเลเป็นตนวารูปเสียงสินรสสัมผัสต่างๆอยากได้ยินดีพอใจเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในสินในรสอันนั้นถ้าจิตใจไปเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้นจิตใจจะไม่ตั้งมัน่นจิตใจจะต้องลุ่มหลง หรือเศร้าหมองวูนวายนี่คืออารมณ์เบื้องต้นบุคคลทุกคนเกิดมาจะต้องมีกิเลสปัญหามีราคาของใจมีความยากความพอใจในสิ่งที่ตนชอบตนปรารถนาสิ่งที่ชอบที่ปรารถนานั้นท่านจิงถือว่าเป็นกามมสันทะคือความยินดี ในกามารมต่างๆจะเป็นของที่มีชีวิตหรือหาชีวิตไม่ได้ถ้าหาจิตใจไปคิดไปปรุงในสิ่งนั้นมากเกินเหตุเกินผลแล้วท่านเรียกว่าก a ม m ฉันทะคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนที่ยินดีวุ่นวายอย่างนั้น่านจึงให้หักห้าง จิตใจของตนไม่ให้เกี่ยวข้องด้วยอุบายต่างๆคือการกําหนดหมดบทิกรรมบ้างกําหนดลมหายใจบ้างไม่ให้ใจไปเกี่ยวไปติดไปคิดไปปรุงเพื่อจิตจะได้สงบระงับนี่เป็นเบื้องต้นเป็นข้อต้นที่ทำจิตของตนให้กังวลวุ่นวายเดือดร้อนไม่สงบระงับให้ข้อที่สองต่อไปอถือว่า พยาบาทเคืคอิดจองล้างจองผ่านสัตว์บุคคลที่ตนไม่ชอบไม่ปราดนาอยากฆ่าอยากที่อิจฉาตาร้อนต่างๆจิตเหนื่อยิดไปอย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบและงับได้ทันจิงว่าเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธินี่คือเรื่อง ของนิวรณตัวที่สองตัวที่สามชินมิระความไม่พอใจความไม่ยินดีในผืนในธรรมของตนมีแต่ความโง่ง่วงเข่าทับถมโจมตีอยู่เรื่อยๆไม่ยินดีสายยินดีในการกระทําพอใจในการกระทำความโง่งง่วง หานอนอย่างนั้นจะไม่เกิดขึ้นพอเราปีติเรายินดีเรายิ้มแย้มแจ่ ม, มจใสเราเต็มใจในการจะทําบํมเช่นความง่วงง่วงจึงพับผมโจมตีเหนดดังเมื่อเกิดความง่วงง่วงอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาให้จิตใจ ของเราเลื่อมใสให้จิตใจของเรายินดีในการกัรทำของตัวเช่นเวลานั่งมันง่วงเหงาห่าวนอนอยาจะไปคิดอยากจะให้มันสงบโดยถ่ายเดียวถ้าคิดอยากจะให้มันสงบมันจะหลับไปทต่านืึงให้คิดฟงุงเรื่องใหม่สิ่งที่เป็นอัดเป็นธรมที่จะทำจิตทำใจให้เหลื่อมใส ทาจิตทําใจให้เ อ, อบอิม่มชีเจนาหาเรื่องสอนใจและการกะรําบําเพ็ญหนังสมาธิเดินจงกรมอบรมจิตใจนี้เป็นทางที่ดีบุคคลจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเวลาสําระใจอย่างเราเราเป็นผู้ที่โชคดีมีลาภอันปรียรเ จึงได้มากกับทำแบบนี้เราควรยินดีเต็มใจในการกับทาของตนสอนใจให้คิดให้ปีติในอดใน ร, รมที่ตัวสะสมเอาไว้ใจจ่มไม่ง่วงเหงาต่อไปนี่เป็นเรื่องของใจ <c oughs> ที่จะ ไม่เป็นสมาธิได้เพราะความห่วงเหงาห้านอนไม่ได้คิดไม่อาจในทําอะไรใจห่วงเท่าไรก็อยากจะให้มันสงบมันก็เลยหลับไปเลยแก้ไขตัวไม่ได้ผลที่สุดก็ได้จะหลับตื่นมากดยมีอะไรเป็นสาเหให้ขอที่สีต่อไปท่าเรียกว่าอุทจฉกอุกุจฉา นี่ก็เป็นธรรมที่ห้ามกันจิตใจของพวกเราท่านไม่เป็นสมาธิได้เหมือนกันอุดทพรจาคือความปุ่งของใจปุ่งไปตามอารมณ์ทั้งยาต่างๆนานๆไม่มีวันเวลาที่จะหยุดพักได้ไมแจะคิดไปปุ่งไปปุ่งไปทางนอกุกุจจก ความลำคาญของกายของใจอยากจะให้สงบระงับก็ไม่ได้จิตไม่อยู ù, ย่ในตัวจิตไม่สงบระงับกายมันก็ลำบ้ากเหนื่ยเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นไปต่างๆนานาแท้จริงว่าปุ่งการลำคาญคือไม่สุขไม่สบายให้แทนที่จิตใจจะสงบลระงับจะหยักใจเย็นจะจิตใจเป็นแบบนั้น เมื่อมันเป็นแบบนั้นเราจะมีอุบายอย่างไรที่จะสอนใจของตัวไม่เห็นมันเป็นมันปรุงก็แล้วแต่อุบายสัญญาของทุกท่านเพราะคำสอนของพุทธเจ้าสอนไว้หลายในที่จะให้เรานำมาที่นี้พิจารณารักษาใจของเราเหมือนกันกันกบโรคที่เกิดขึ้นยาอะไรที่จะเป็นประโยชน์ก กายของตัวควรหามารับทานให้โรคมันหายไปนั่นเป็นอุบายของอแต่ละท่านที่จะนำยามารักษาให้โรคมันหายนี่ใจก่าทำนองเดียวกันเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันพุ่งรุงไปมันเกิดลำคาญใจเดือดร้อนวุ่นวายเราจะมีอุบายอย่างไรสอนมันถ้าหาเราฉลาดเรามีปัญญา เรา่อต่องพิจรารณาการปรุงปรุงท้องใจนี้ <c oughs> เราเคยละเลยปล่อยปะมันไป <c oughs> เป็นระยะยาวนานแล้วแต่ก่อนที่เราไม่เคยภาวนาะมันก็เคยเป็นเคยปรุงอยู่อย่างนี้ถ้าเราจะเชื่อปล่อยไปตามอารมณ์สัญญาอย่างเก่าใจของเราก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเข้าหาสมาธิทาหนักแน่น ความลงรวมของใจได้เราจะไม่เชื่อไม่ยินดีมันเกิดขึ้นหรือมันผ่านมาก็เป็นหน้าที่ของมันเราจะไม่ตามไม่เกี่ยวข้องผัวพันกับเรื่องสัญญาอารมณ์ความผูกพุงนั้นนั้นเราจะกําหนดทำบริกรรมของเราไว้ในใจจะเป็นพุโทโธธรำโมสังโฆก็ตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมของตอนนั้น ไม่ยอมให้จิตเผลอหรือไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ น, นั้นนั้นมันมาหรือมันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่เกี่ย ว, วก้อพผัวพันกับมันมันก็ตกไปหมดไป <c oughs> ส่วนที่เรายุดเอาไว้คือทำบริกรรมไม่เผลอเรายุดมั่นไปอย่างนี้สั้งใจใปอย่างนี้ จิตที่มันเคยไปเกี่ยวข้องวุ่นวายนั้นมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอารมณ์องบริกรรมผลที่สุดจิตมันก็รวมลงได้เป็นสมาธิเย็นสบายถ้าหากปล่อยให้มันปุ่งสานลำคาญอย่างนั้นมันก็ไม่มีวันเห็นอันิสงส์ในการทำความผ่าความเขียนของตนข้อที่ห้า มีการกล่าวเาไว้ว่าการฝึกของใจมีวรตัวที่ห้าคือความสงสัยลังเลในจิตในใจมีจิตอิจฉาภาษาบาลีทางวัดทางวาสันสอนกันคือความสงสัยลังเลพอนั่งไปนิดๆหน่อยๆกลัวกว่ามันจะเกิดอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้เลยไม่เกิด อะไรดีดีให้หนั่งไปใจไม่สงบไม่เยอกเย็นก็สงสัยลังเลว่าเราอาภัพอวาตชนะเราไม่มีบุญบา ร, รมีต่างๆมันคิดไปปรุงไปใจก็เลยไม่สงบนี่คือภ้าศึกของสมาชิเมื่อมีห้าอย่างนี้อยู่ในจิตในใจคนนั้นจะทำความเทียนขนาดไหน ถ้าหากใจมันคิดมันปรุงไปแบบนั้นมันก่อไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับดับกิเลสตัณหาเป็นสมาธิแน่นอนได้เมื่อสมาธิไม่มีความตั่งมั่นของใจไม่มีมันก็ไม่มีความสุขความสบายฮห้ไม่ว่าจะไปสถานที่ใดเพราะใจวันไว้บอกแว่ ใจที่ไม่มีสมาธิใจวอกแวกใจหวั่นไหวใจวุ่นวายไม่ใช่คนมีความสุขความสบายไม่ใช่ว่าจะเป็นสิงทีหน้าปาดิหารคนที่ไม่มีสาระของใจคนที่ไม่มีใจหนักแน่นจะทำการทำงานอะไรก็ทอดทิ้งเลื่อยไฟคบค้ากับใครก็ อย่างว่ามันมีใครป่าถนาพอยินดีชอบใจกอไปอีกอย่างพอเบื่อหนายั็ไปอีกอย่างเลยไม่มีใครสั่งการป่าถนาเพราะใจไม่มีสมาธิความหนักแน่โกรธง่ายเกลียดง่ายรักง่ายชอบง่ายไม่มีเหตุมีผล ในตนของสนเพราะจิตใจไม่ตั้งมั่นจิตใจไม่มีสมาธิเวลาชอบก็หลงไหลไขวฝันจนลืมเนื้อลืมตัวไปเวลาเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจนจะไปผูกคอตายกินยาตายนี่คือจิตใจที่ขาดสมาธิขาดความหนักแน่เราต้องอบรมแนะนำ ฝังสอนจิตใจของตัวให้มีสมาธิในจิตในใจให้ตั้งมัน่นอย่าหวั่นไหวดยการอบรมธรรมเข่าสาลาใจอารมณ์สัญญาที่ชวช้าเสีหายต่างๆนาน า, นาที่เคยเกิดแต่ เ, เราไม่ได้รักษามันก็เกิดทับถม เขาเลื่อยผลที่สุดจิตใจก็ไม่มีหลักฐานแ่นสารอะไรถ้าหากเราทาร่าสาสางมันออกไปอารมณ์ที่ชั่วที่เสี ย, ยนั้นหมดไฟหมดไฟใจจะผ่องใสใจจะเยือกเย็นใจจะเห็นธรรมตั้งมั่นนี่คือการฝึกการศึกษาการปฏิบัติภาวนาเพื่อ ความสุขความสบายของจิตของใจไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำให้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ว่าชั่วดีผิดถูกต่างๆคนอื่นหาโอกาสเวลาที่จะทำให้เราดีเราชั่วด้ยากไม่เหมือนใจของเราใจของเรนี้มันทุกการทุกเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอน มันสามารถที่จะนําความส่วนเสียหรือสิ่งดีงามมาให้ถ้าหากเราภาวนาชาระใจความดีนั้นมันก็ไม่มีการมีสมัยจะยืนอยู่ก่อตามนั่งอยู่ก่อตามเดินอยู่ก่อตามนอนอยู่ก่อตามมันจะเกิดความถุกความสบายเกิดปัญญาลาชัชเลียให้ถ้าหาก เราไมา่ได้เอาใจใส่ปล่อยป่าละเลยอาจทำไว้ใจนั้นก็จะเกิดแสลงแสโกรธแ่หลงขึ้นมาเรื่อยๆผลที่สุดก็เลยไม่มีความสุขความสบายไม่มีใครมาแส่งมาด่าไม่มีใครมาขามาทีมันก็เป็นเรื่องอยู่ในตัวข้องมันเพราะใจมันสะสมเกี่ยวข้อง กับสัญญาอารมณ์ที่ชั่วที่เสียฉันจึงให้สำละัะจิตใจประเภทนั้นจิตใจชั่วเสียจิตใจโกรธเขาพูดดีๆแล้วก็โกรธเขาไม่ได้ทำอะไรกับเราเขาผ่านมาแล้วก็โกรธเสียงมันอยู่นอกวดัดนอกวานอกบ้านนอกช่องได้ยินเขา้าเราโกรกมันมีแต่โกรธเห็นอะไรกโกรก นี่คือจิตใจที่ไปเกี่ยวข้องกับวิเลียนตัญหากับเรื่องฉวยซาลามกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษคนโกรธไม่ใช่คนมีความสุขมันเผาตัวหน้าตาสูบสิ้นเสียหายทำดำเป็นยักษ์เป็นมารถึงรูปร่างกลางตัวจะสวยสดงดงามแต่โกรธมากๆเท่า มันไม่น่าเอาน่าดูทางนั้นท่านจึงให้เห็นโทษของมันอย่าไปยินดีไ่ายฝันในเรื่องของชั่วมีสติมีปัญญาสอนตัวนี่คือการภาวนาเสมละใจหายใจรวมรวมเป็นสมาธิได้ใจสุขใจสบายใจสงบละงับ นั่นแหละเป็นพื้นฐานที่จะพิจเรณาคิดอ่านสิ่งต่างๆให้รู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นปัญญาจึงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพิจเรณากันไม่ใช่ว่าปัญญาอยู่ธรรมดามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่ฝึกไม่ออบรมไม่กระทํำมาเพน มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยเราทำให้มันเกิดมันจึงเกิดขึ้นเหมือนกันกับบ้านช่องของเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะผุดขึ้นจากพื้นดินจะต้องหาอุปกรณ์ต่างๆมานามาสร้างขึ้นมันจึงจะเป็นบ้านเป็นช่องเป็นที่อยู่ที่อาศัยกันแดดกันฝนได้มันไม่เกิดขึ้นเอง ปัญญาขอทำนองเดียวกันเมื่อมีสมาธิความหนักแน่นของใจเราจะพิจารณาให้เกิดปัญญามันสามารถเกิดขึ้นได้พอพิจารณาตามเป็นจริงของมันว่าโลกอันนี้ที่มันโลกมันอยากได้มันเกิดราชาตัญหามันเกิดมาเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรทำไมมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมัน ให้สุขหรือให้ทุกข์แก่เราเราจะต้องสืบหาเรื่องต่างๆนานานด้วยปัญญาของตัวเช่นรูปเราไปจิตไปคิดไปปรุงว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้อยากจูบอยากกอดหรือว่าดิบว่าดีตามโลกสมมุติเขาถ้าเราพิจารณาไปในทางทรรมเพื่อจะแก้ไข จิตใจจิติึดปูงจิตค้องเราจะต้องพิจารณาทางปัญญาพิจารณาดูให้ทั่วพ ร, รูปที่เราไปหมายมั่นยึดถือนั้นมันเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นของที่สวยสดงดงามเป็นของที่หอมหวนจริงหรือพิจารณาดูให้ทั่วผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ตับไตใส่พุงต่างๆพวกมันเป็นอย่างไรแยกออกมาพิจารณาแต่และสินแต่และส่วนเพื่อจะให้เห็นให้เข้าใจว่าสียงเหล่านั้นมันมีแต่เขาหรือเรามีไหมเมื่อมันอยู่กับเรามันเป็นอย่างไรมันให้สุขหรือให้ทุกข์แก่เราของเหล่านี้เราก็ทราบดีอยู่แล้ว ว่ามันให้ทุกข์แล้วมันเป็นของอ น, นิจจจังแต่ปวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเป็นของอสุภาะอาสุพังของปฏิกูลของเหน่าของเหม็นไม่ใช่ของดีของดีอะไรหรือมันดิบมันดีอยู่ลูกที่เราไปติดไปคล้องมันไม่มีดีไม่ดีอะไรไปหลง ด้วยสัญญาอารมณ์ไม่ได้พิจิีรพเจณาหาสาระจริงจังของมันจิตใจจริงไปเย็ดมากถ้าพเจณาตามความเป็นจริงของมันแล้วมันไม่มีใครที่ไหนจะไปหลงกันพอเรามีอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าห น, นังบาเนื้อบาเอ็นบา ก, กระดูกของเหล่านี้มันดบมันดีเมื่อไร กระดูกสัตว์เขายังขายได้กระดูกคนขายไม่ได้จะไปขายที่ไหนหนังคนก็ไม่มีใครนิยมไปทากระเป๋ารองเท้านี่จะเขาเกียบเขากลัวเท่านั้นล้วมีใครนิยมชมชอบกันเมื่อก็เหมือนกันเล็บฟันก่ยิ่งไปใหญ่เล็บเสือยังขายได้กระดูกเสือยังขายได้ แต่มนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นของที่สกรปรกผัวมอมทั่วไปอยู่ด้วยการรักใคร่กันยินดีกันพอหมดลมหายใจเท่านั้นก็กลัวกันแล้วถือว่าผีมันเป็นอย่างนี้เดีย๋ยวไปชอบอะไรไปชอบผีไปยินดีอะไรยินดีในผียินดีในป่าช้ายินดีในของเน่าของปฏิกูล เราจะต้องมีปัญญาเกิดขึ้นสอนตอนนี่คือปัญญาที่จะแจก้ไขใจที่จิดกรุงของจิตต่างๆให้ตกออกไปให้เห็นจริงในสิ่งนั้นนั้นมันละของมันมันถอนของมันไปเองถอนไปทินันนิดทีนี้หน่อยที่เจนาไมาหยุดไม่ถอยก็เหมือนกันกับคนตัดต้นไม้ฟันเข้าไป ยีนนันนิพีนี้หน่อยฟันไม่หยุดไม่ถอยต้นไม้มันจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็หกักก็พังลงไปได้พอมันขาดมันจะยืนต้นอยู่ไม่ได้นี่ปัญญาสาระใจแททก้ไขกิเลสกับทำนองเดียวกันฉะนั้นเราทุกท่านจะต้องหมั่นพินิจพิจารณาหมั่นศึกษาศีลสมาธิปัญญาเป็นมรเป็นหนทางที่จะ นำจิตนำใจไปสู่ความบริสุทธิ์สะาดไม่มีหมนทางเดินผิดทางออกนอกทางมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ยิ่งเดินก็ยิ่งไจออกไปใจที่คิดอยากได้ไฟฝันใน เ, นเรื่องกิเลสกัณหาคือหันหลังให้ทางมัดทางผลไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะประสบความสงบสงัด ไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะได้สมปาฏนาของใจนีใจจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัวไม่มีใครได้สวมปาฏนาสักลายเดียวาพุทดธดเจ้าท่านทราบดีด้วยพย า, ยานของท่านท่านจึงทําถนนหนทางเอาไว้คือศีลสมาธิ ป, ปัญญาหรือมรรคแปดเป็นทางเดินของตายของใจ เกิดผลคือความสุขความพ้นทุกภพชาติต่อไปมีพวกเรามีไหมศีลสมาที่ปัญญามีไหมกายวาจาใจมีด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าค้าวาสไม่ว่านักบวชแต่เราไม่ทําให้เกิดสาระประโยชน์มันก็เกิดสาระประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นต้องหาอุบายเนี่ยสอนใจ ต่างใจที่นี้พเจารนาต่างใจสำละกยิ่เลียดตันหาเหมื่อเราต่างใจพยายามไปเรื่อยๆใจที่เคยยิดกรุงยิดของยึดถือต่างๆมันก็ค่อยจะส ง, งบละ ง, งับถอดถอนปล่อยวางสิ่งที่เคยไปยึดไปถือต่างๆ เพราะทำยอมชนะธรรมคือการพิจรารณาธรรมการมีสติมีปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงของมันใจนั้นจะไม่ฝ่าฝืนจะต้องยอมจำนนในวันหนึ่งให้ได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างไรมันทราบดีเดี๋ยวเมื่อมันทราบดีมันจะมีการท่องสัย มีการถกเถียงอะไรกันอีกเมื่อต่างคนต่างทราบความเป็นจริงของมันอย่างนั้นมันก็ลงกันได้นี่มันไม่ทราบอย่างนั้นมันถือว่าอันนั้นดีอันนี้ถูกอันนั้นสนุกอันนั้นสบายมันถือไปอย่างนั้นเมื่อมันถือไปอย่างนั้นในทางที่ผิดที่ชั่วมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นให้ ในเหมือเวลามันยากในทีพิจรานาหน้าหลังอะไรพอกินไปทานไปไม่ทราบไฟยาพิษมันเกลือบน้ำตาลหวานทางนอกแต่ทางในมันเป็นพิษทุกโทษของคนทั่วไปมันเป็นทํานองนะั้นโดยความใม่พินี้พิจารณาใส่ซองแน่นอนมันอยากอย่างไรมันชอบอยา่างไรก็หลงไหลไฟ ฝ, ฝันไฟ แม่ที่พิจารณาแก้ไขกว่า น, นั้นมันเป็นพิดเป็นภัยเป็นโทษอย่างไรเมื่อมันลื่นเข้าไปแล้วก็เหมือนเด็ดที่เกาะปากปลามันไม่ที่พิจารณาเห็นเยื่อเท่านั้นลื่นเข้าไปพราะเด็ดมันติดปากสิดคอของมันแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะหนีได้ผลที่สุดก็เป็นอาหาร ของนายทานที่เข้าไปดับเรามาสบไมาเจียงตามความชอบใจของเขานี่เราบวดจิตเบ็ดของมารใจที่มารยีเลดบอกว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้ดีไปเสร์ตแล้วก็ชอบเรื่องของมารแต่ถ้าเยอทะายานไปตามเรื่องผลที่สุดคนเลยถูกเบ็ด เกาะปากเอาเกิดทุกข์เกิดโทษอยู่เลยเลือดแต่ก็ไม่เกลดไม่ลาภาให้พยายามที่จะนาหาธรรมะสอนใจพะเรามาฝึกอบรมใจไม่แก้ไขตัวอย่าคิดว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาถ้าพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปท่านก็เป็นคนเหมือนเรา ไม่ใช่ผันเป็นอันอื่นเราเป็นคนแล้วขอมีโอกาสเวลามีอำนาจวาสนาที่จะฝึกจะรักษาจะทำจิตทำใจให้เหลื่อมใสให้สุขให้เจริญได้ถ้าเราสัางหนา้าสังสางตาทาไม่ใช่คนอาภัพเอาวาสนาเป็นคนที่มีโชคลาภดีอยู่แล้ว จึงบายหนะ้าธรมาสู่ธรรมะธรรมโมเมื่อไม่ตั้งหน้าตังตาทรมันก็ไม่เิดขึ้นให้เหมือนกันกับอาหารมันจะมีมากเ ท, าทา่าไรตาเราไม่รับทานมันก็ไม่อิม่มนี่ธารรมมาของพระพุทธเจ้าหรือสถานที่ทัศน์ที่อาศัยมันก็พอเป็นพอไปธรรมะก็มี พอที่จะพิจารณาขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาจะเราไม่นามาที่นี้พิจารณาโอกาสเวลากวมีสถานที่กว่าสงบเมื่อไรจะทำจริงทำจริงเมื่อไรเราจะขับไล่ให้มันหนีเรื่องกิเลสตัณหาพอเรามาไม่ใช่มากอบป่วยเรื่องนอก มาําระสาสางจิตใจหาความเยือกเย็นภายในให้สอนใจของตัวอย่างนั้นแต่งหน้าแต่งตาที่นิิเจนาชำระอยู่เลยเรื่อยความไม่เคยสงบสงัดเคยสาแข่ไปตามทัญญาอารมณ์เมื่อมีสติรักษามีปัญญาแนะนให้อยู่ในวงของอจของธรรมแล้วมันจะหักห้ามได้ ทำไม่เคยอยากเย็นไม่เคยสงบสุขมันก็จะเกิดขึ้นใครเราจะเป็นคนเห็นก็เราผู้กระทำบาเพ็ญ น, นั่นแหละจะเป็นคนเห็นคนรู้